เดินมาปั๊บเราเห็นหน้าทุ๊กเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเข้ามาเรื่องอะไรอ่ ะ, อะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นดูสิตางแต่ไอ้ทุกจริงๆมันไม่ใช่ถามเราจะดูยังไงอเอเวลาใหม่ตั้งเวลาเลยอ้าวเรื่องอะไรมองมองเห็นหน้ารู้ใจใช่ไหมอ่ามองเห็นหน้ารู้ใจไอ้ไทุกเขามาเข้ามาเนี่ยบางทีเขามาหลอกเราโกหกเราเรื่องอื่นดูยังไงอ่าม่โกหกไม่โกหกอ้าวเอาเวลานี้วันอาทิตย์เลยนะเอาใหก่อน เอาเลือกโกไปโกงวันอาทิตย์วันนี้สามสิบมีนาห้าหนึ่งแรมเก้าข้ามแล้วกันเอาเดือนสี่โอเคเวลาเอาเวลาก่อนเลยเท่าไรอันนี้เท่าไหร่เท่าไหรู่เ้าเท่าไหร่ละเท่าไหร่เอาดูให้หน่อยูนย์เก้าห้าสิบอ่ะศูนเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าย่สงบเก้า่อ่ะอันนี้เรื่อง เมาดูเรื่องเขาเข้ามาหาเรื่องอะไรเรื่องที่มาเอ๊ะอะไรนะเาเรียกอะไรอาจารย์ตรงกับความทุกข์เขาไหมทุก้เรื่องอะไรทุกจริงจริงอ่ะเรื่องทุกคืออะไรแต่ทุกจริงจังไม่เกี่ยวทุกทุกจริงจริงันเรื่องอะไรเรื่องทุกจริงจริงของเขาเรื่องอะไรเรื่องทุกจริงงเาอาจจะไม่พูดริงในใจของเขาเรื่องอะไรเรารู้อันนี้การรู้เรารู้เขาเรื่องอะไร อ่าเราก็ตั้งคูมอ้าตั้งคูมอะไวคูมวันอาทิตยอ่ะเขียนดิทีจําง่ายดีอ่่หกสองเจ็ดห้าสามแปดโอเคเก้าข้าเกาข้าม้าาก็อันนี้ก็ยใหญ่ไปยาใหญ่อาอันนี้อันนี้เรียงเลยนะง่ายๆดีนะขยายความไปหน่อยเดี๋ยวหน่อยเราค้องปุ๊บเราไม่ต้องขยายอ่าหนึ่ง อ่าแล้วไงอยามจอนเป็นไรอ่ายามใหญ่ก่อนใช่ไหมยามใหญ่เอาบริวารใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าได้อะไรเล่าอันนี้อ่าบริวารอยู่นี้ใช้ที่ไหนเล่าคนนี้แรมเก้าขั้มอ่ะกระถูกแล้วไงแลงเก้าขั้มบริวารว่าเอาดูเขาดูอ่าแล้วไงแล้วก็มาดูนี้อ่าดูดูดูดูดูดูยามจอนยามใหญ่ยามใหญ่อ่ายามใหญ่ในยามนี้เวลาเก้าโมงห้าสิบ กามงห้สิบยังอยู่ในยามที่สี่หนึ่งสองสามสี่ตกเลขสองเป็นบริวารสองเป็นสองเป็นเป็นยายาจันเป็นบริวารเป็นยามนะดูหัวยานนะก็นี่ไงหัวยานเนี่ยอ่ะยามใหญ่เนี่ยมันนับสี่มาจากตอนนี้โอเคถูกต้องอ่าอเป็นบริวารแล้วก็ไปยามย่อยเก้าโมงห้าสิบอ่านับไปสามช่องหนึ่งสองสามห้าบริวาร อ่าต่อไปไปตั้งเสาเลยใช่ไหมตั้งเสาก็เอาเอายําย่อยมาตั้งโอเค อ, อ, เอะไก็นับไปเท่าเลขยำย่อยเลยแหละห้าสามแปดแล้วก็หนึ่งหกสี่สองเจ็ดแล้วไงต่อแค่เนี้ยเราก็รู้ได้แล้วอ่อาแล้วไงต่ออ่อาว่ามาเขามาหาเราอ่ะแต่บางทีเขาจะมาคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะเป็นเรื่องในอะไรเนี่ยสห้าเหรออ่าห้า ก็เกี่วก็เรื่องสินเรื่องธรรมะอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะมาคุยทํานองนี้อืเขาจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาทุกข์เขาจริงๆอิงดูที่ทุกข์ขังของเขาอเรื่องที่ทุกข์ขังเรื่องของดาวพุธดาวพุธเรื่องเอกสารสัญญาสมัยทุกใจเรื่องตั้งแต่งอะไรเขานั่นน่ะเราไปดูทุกข์ขังเขาเอาทุกข์ภายในอ่ะทุกข์ภายในเรื่องสัญญิงสัญญาเนี่ยเรารู้เราเห็นแต่เขาไม่คุยอืเขาไม่พูดออื่าเรื่องสัญญา โอ้ยเรื่องเอกสารอะไรติดขัดเรื่องอะเรื่องสารเรื่องอะไรตั้าอะไรนี่แหละอ่าดาวพูทธอ่าเรื่องของอ่าเนื้อต้องไหการสื่อสารอ่าการสื่อสารเอกสารเอกสารหรือแม่เรื่องประกันชีวิตอืประกันด้วยที่ทําการเป็นสิีดาวเทียมบริษัทอะไรนว่าไปใช่ไหมทํานองนี้เนี่ยอันนี้คือดูที่ทุกดูทุกอันนี้คือเรารู้เขาเรื่องทุกในใจในใจของเขาเนี่ยดูที่นั่นแหะทุกฝั่ง ดูที่ทุกขังแล้วก็หรือบางทีก็เรื่องปลาเรื่องกระเพาะอ๋อดูเรื่องของโลกด้วยฮะกระทุกของเขาทุกภายในอ่ะเขาซ่อนอยู่อแต่สมองมส่วนหน้าเส้นประสาทอนีอ่โอเคอันนี้ทุกภายในของเขาโยม<ง>ช่วงนี้เอกาสารไม่ค่อยคล่องนะอะไรอย่างงี้เหรอเราจะไปพูดพ่งงั้นนะเดี๋ยวเขาแตกเรานะเออแล้วไงนึ่งเรารู้เขาเฉยเฉยเออแล้วทําไง แต่เขามาคุยเรื่องอืลล่นก็่อให้เขาคุยเรื่องอืน่นเออจะกลับปุ๊บอะแม่นแม่ๆๆนแม่นเดี๋ยวก็เอาอะไรมันจะมีอะไรเนี่ยเจ็ดแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดมันเป็นคู่อะไรเนี่ยคู่มิดไงเขาจะเชื่อเราเราเขาเขาพูดอะไรเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อเราอ่าเชื่อเราเสร็จปุ๊บอุก่อนที่เขาจะกลับเนี่ยแล้วก็แน่นแนหน่อยเรื่องบางทีคุยๆไปเนี่ยแน่นแน่เข้าหน่อยมันจะระวังหน่อยเ้าเป็นเนี่เป็น เกี่ยวกับเรื่องนี้โย<ล>งให้ระวังหน่อยนะไ ม, ไ, มไม่ต้องระวังเื่องะเขาจะเอะใจทใี่รู้ได้ไงอ่านพระองค์นี้ใช้ได้อ่าให้ตาทิพเป่าเนี่ยดักทายใจเราได้อ่าพอเรารู้เขาอืมยังไม่รู้เขาอืม ก็ดูที่ทุกคังเลยเนะาะระวังเรื่องปากนะปากไม่กินเหน้นแื้วปากแปลงฟันซะม่งนะเอาตลกมุกโดนอัดเอามุกหน่อยที่ไหนได้ไเขาเขาไม่พูดได้แต่เรารู้เขาเราเราอยากไปพูดอย่างนี้นะมเออกคนี่เนี่ยก็ถึงบอกว่าต้องมาปรับสำเนียงการพูดยังไงไม่เราก็พูดเอ่อเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันมีทุกอยู่หรือเปล่าล่ะ จริงๆพูดพูดจริงๆกระสันเนี่ยอย่ามาพูดอ้อมๆฉันไม่ค่อยมีเวลาอะอย่างนี้ก็ได้ออืโยมมาเนี่ยมันมันกุ้มๆออกกุ้งใจก็เมันจะปรับก็ได้ไหมเรามาดูเฮ้ยรู้ได้ยังไงตอนนี้เขาจะจะทายเอาอย่างงู้นอย่างนี้ท่านนี้ท่านแล้วตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจมาหาจะมาปรึกษาใหม่ได้ตอนนี้โยมจะมาวันนั้นนะตอนนี้เราก็กําหนดวันให้เขาได้เดี๋ยวเขาก็จะเผยออกมาจะปล่อยไก่ออกมาเอง อเหมือนเหมือนกับเราเราเล่นไพ่เนี่ยเราก็ตีจากสุ่มไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาอีกตัวของเขาน่ะเขาจะทิ้งมาให้เราเองเขาเรียกเขาเรียกอะไรอเขาเรียกอะไรดี่เองจะปล่อยออกมาเองละปล่อยไกลเอออกมาเองคุยไปคุยมาปล่อยมาเลยอ่าเรื่องทุกข์ในใจของเขาเรื่องอะไรเอาที่ชวนชวนนะเวลานี้เขาเป็นคู่มิตรไงเขาเป็นคู่มิตรแล้วถ้ามันเป็นคู่ศัตรูถ้าถ้าเป็นคู่ศัตรูก็หลอกเรา ก็ไม่ต้องพูดอะไรหน้าแต่เรารู้แต่เรารู้ว่าภายในของเขาจริงๆมเป็นแบบอันนี้รู้เพราะมันตกทุกครั้งในเรื่องอะไรรู้ละแต่เราจะพูดหรือไม่พูดอ่หรือว่าบางทีจะเกิดต้องพูดเรื่องถึงอะไรเท่าไรก่อนที่จะกับยอมถ้ามีเรื่องเอกสารก็ให้ระวังหน่อยนะมันจะไม่ดีอืเรื่องไอ้สัญญางานอะไรเนี่ยคงมีคดีความเรื่องอะไรก็ระวังอันนี้เรื่องของ ทุกในใจรู้เขารู้เขารู้เขาดูตัวทุกตัวเดียวจบแค่นี้ยนะอันนี้ดีตอนนี้ท่านจะไปขยายความเอาเองอีกเนี่ยไออย่างเนี้ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงตัวเนี้ยที่ที่ทำให้เห็นเนี่ยโอ้อันนี้ไว้ก่อนปวดหัวเอาอาชีพมันชัวรก่อนว่าอาจารย์เนาะหลับไปแล้ววะแล้วแน่แน่ถูกใจเราอย่างงี้มีอะไรอีกอ้าวช็อตเด็ดอืออันนี้เป็นเรื่องของอาจารย์แหละ ไอ้ที่ดูเสาวันนั้นอ่ะไอ้ดูเสาวิหารเนี่ย ม, มันยังมาอ่าอ่าสามสามโยมเลยอ่ะเสาวิหา ร, ารว่าเออการก่อสร้างตึกเสาอะไรเนี่ยทำไมโครงสร้างมันไม่สมดุล อ, อย่างข้างบนไม่ได้กับช่วงล่างต้องขยายฐาน มันต้อไปเรือนงิแต่คิดว่าเายังไม่ได้เรียนครับอธิบายก็ไม่รู้เรื่องอ้าวอย่างนั้นเอาผ่านไปก่อนได้ไหมไม่ได้ธรรมดาจะมีดอกจานมีอะไรจได้ก็ไดอกจานมีกันไดมีอะไรอ่ะไปแก้ตัวไหนเสียไปแก้เออเดือนมันก็รู้อู้วนก็ไอนั่นนะเอากุตนเขาไม่ได้กันเขายังไม่ได้เรียนแต่ยังไม่ได้เรียนบอกี่บอกเขาเหรออไม่ต้องเขามาถึงเราเนี่ยดาวอะไรเขาเสียก็ดีเนี่ยอันนี้สำคัญ เพราะดาวาแกนเนี่ยเพราะดาวนา้ำใจตรงนี้เวลาไปเรียนก็ดูเรียนอะไรพวกนี้ดูดูดูจุดติดดูเมื่อกี้นเนี่ยติดเยังไม่อบนายยงเขาเป็ะดุ๊งเอาเอาเอาสัส้นๆนี่ง่ายเอาที่เรียนนี่ก่อนอาจารย์ที่ว่าอะไรเรียนนี่งก็ดูว่า ด, ดาวไหนว่าหาเราเนี่ยเขาบอกเขารู้เขาจะไม่ทำกัรู้เราเราแลก่อนแลวกรู้เขาไอรู้เราเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะเนี่ยรู้แต่เขาเนี่ยถามว่าเขารู้ไว้ว่าวันนี้อะไรเกับใคก็นี่เนี่ยนี่เนี่ย ก็รตัวตามยามย้อยดีกว่าอ้าวอ้าวยาย้อยามใหญ่แต่ดะเวลาเนี่ยมัไมียังไงไม่เรียนไงนี่มาเนี่ยท่านนะเขาไม่ได้ตังค์ท่านด้วยอ่าเนี่ยดูไปดูมาท่านไม่ได้ตังค์อืมสองตกมละนังอ่าไม่ได้ตังค์ถ้าแพนก็ลดบรรยากาศด้วยเนี่ยดูอย่างเนี้ยอืมเอาอย่างนี้ดีกว่านี่เอาไว้จะตบนะนี่โคราชกีโมง โทรมาครับผมใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะรู้เราทไมขันพอใจจรงเกิดนั้นเอาพนจะแนีเนี่ยเขาเรียการู้เราไอ้โทรศัพท์มันดีอย่างนี้ดูนี่เอาเดี๋ยอย่นี้สใจแล้วก็ช่วยวิจารนี่มาช่วัวิจารแล้วจะเห็นเลยแล้วก็เป็นหลักเลยว่าเฮ้ยเกิดเหตุอย่นี้อย่างนี้นะเนี่ยแล้วผมพูดก่อนด้วยนะพูดก่อนไม่ถึงห้านาทีเอาเอาเลย